และในตอนนี้จะพูดถึงหัวใจสมถกรรมฐานสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาทรงประทานพระบรมพุทธโวาทไว้ว่าสมาธิพิกเวพาเ ว, าเวทสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติบูก่อนภิสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีจิตใจเป็นสมาธิแล้ว ตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอันนี้เป็นเครื่องเชีย่ยวเห็นว่าคนเราถ้าหากว่าจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีจิตใจเป็นสมาธิฉะนั้นอาพวกเราทั้งหลายาจึงต้องพากันเจริญสมาธิหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆก็มีการชักชวนให้ ท่านสาธุชนทั้งหลายมาเจริญสมาธิกันมาปฏิบัติธรรมกันอย่างน้อยสงบจิตสงบใจได้สักครู่หนึ่งก็อย่างดีได้เป็นพักพักก็อย่างดีถึงที่สุดจนถึงอปปนาสมาธิก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าสมาธินี่ก็มีอยู่สามลำดับหนึ่งคณิกสมาธิสงบจิตสงบใจเพียงชั่วครู่ชั่วยามนิดๆหน่อยๆประการที่สองอุปจารสมาธิ สงบจิตสงบใจเข้าไปใกล้อัปปนาสมาธิเรียกว่าเฉียดเข้าไปแล้วนะได้นานเป็นพักๆนะเป็นพักๆประการที่สามอัปปนาสมาธิสงบจิตสงบใจได้อย่างแนว่วแน่เนื่อนนานนะอันนี้เรียกว่าปราบนิวรณูปกิเลส ท, ทั้งห้าได้เรียกว่าปราบนิวรณ์ได้นะไม่ไม่พอใจในความรักใหม่มีความพยายาม ไม่มีง่วงเหงาเหานอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีความลังเลสงสัยนะอันนี้เรียกว่าเราปราบมิวรรธานั้น ห, ห้าได้ด้วยสมาธินะด้วยสมาธิแล้วคนที่มีสมาธิตั้งมั่นนีเก็มีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นหมายถึงว่าจะเรียนอะไรก็รู้สึกว่ารู้ง่ายจำได้เร็วนะจาได้แม่นนะจำได้แม่นนะ และคนจะเริยนสมาธิมากๆหน้าตาจะสดใสใจเบิกบานนะเ ป, เปล่งปลั่งแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคประสาทไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจนะคนเราทุกวันนี้จิตใจไม่ค่อยสงบนี่แต่ยัคอยอิจฉาริษยากันแก่งแย่งกันมันเกิดความฟุ้งซ่านราคาญใจแต่ไม่อยากให้ใครได้ดีไปกว่าตัวเองจึงหาทางที่จะคิดกําจัดคอยตัดรอนเขาอยู่ร่ำไปนี่แหละ ปัญหาสังคมจึงไม่เกิดสับสนโอนลมานวุ่นวายเหมือนในโลกปัจจุบันของเรานี้ะฉะนั้นผู้ใดที่หวังความสงบ ก, ก็จงพากันเจริญสมาธิเจริญสมาธิก็คือมารู้จิตใจของตัวเองเพราะการทําสมาธินั้นก็เท่ากับว่าเรามาดูใจตัวเองว่าใจของเรานะี่ยมันคิดอะไรบ้างวันวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยใจไปตามอารมณ์ไม่ได้ ใช้สติกำหนดพิจารณาว่าวันหนึ่งเราคิดอะไระคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดอิจฉาริษยาหรือว่าคิดเมตตากรุณาขายบ้างหนึ่งที่เราไม่เคยรู้แต่การนั่งสมาธิได้เป็นการจับจิตตัวเองให้หยุดให้หยุดไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปนะให้คิดแต่ในทางที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็จะมีพลังจิตก็จะมีพลัง แต่จิตของเราที่มันอ่อนแอเพราะจิตของเรามันแสบเป็นอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีขอบเขตนะโดยไม่มีขอบเขตฉะนั้นเราจึงต้องมานั่งสมาธิเพื่อกําหนดใจตัวเองนะโดยอาจจะยึดเอายุน้อพองน้อเป็นอารมณ์ก็ได้พุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้สัมมาอราหังเป็นอารมณ์ก็ได้ก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละสำนักจะบอกอย่างไรแต่เป้าหมายก็อย่างเดียวกันฉะนั้น เมื่อเราทราบอย่างนี้อเราก็ควรจะรู้ต่อไปอีกว่าการที่เราได้อเจริญสมาธิจนถึงขั้นแล้วอนั้นจิตใจของเราก็จะสงบแล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติตคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นมาฐานนะฉะนั้น เมื่อเราได้เจริญสมาธิถึงที่สุดจนได้องค์แห่งฌานนะก็มีองค์แห่งรูปฌานสี่ก็คือปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอ ก, กักตาทุติยฌ า, านก็มีองค์สามก็คือปีติสุขเอ ก, กักตา ต, าตัติยฌ า, านก็มีองค์สองคือสุข ก, กับเอกักตาตฏิยฌานก็มีองค์สองคือเอกตากับอุเบกขาองค์แห่งรูปฌานก็มีห้า ปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอก ก, ะกะต า, าทุติยะทุติยฌ า, านมีสี่คือวิจารณ์ปิติสุขเอก ก, ะกะตาตตดอิยะฌานมีสามคือปิติสุขเอกะกะตาจตุติฌานก็มีองค์สองคือสุขเอกะกตาปัญจมฌานมีองค์สองคือเอกะกะตา ก, ะ ก, ะกะับอุเบกขาทีนี้ก็มาดูนิวรณ์ห้ามาทราบถึงนิวรณ์ห้า อนัอนในวรห้าก็มี1หนึ่งการมาฉันทะความกำนัดจินดีด้วยอำนาจกิเลสกรรมวัตถุกรรมสองพยาบาทก็คือความมึงนงันด้วยอำนาจโทสะหมายถึงว่าความคิดจองล้างจองผลาญผู้อื่นสามทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนความท้อแท้สี่อุทจจากุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความ ซึ่งสร้างลำคาญใจข้อห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ทีนี้กรรมฐานที่เป็นคู่ปรับสําหรับนิวรห้าก็มีหนึ่งกายคตตาสติมีสติไปในกายมีปกติให้เห็นให้เห็นร่างกายนะภายในร่างกายของเหล่านี้เป็นของนาคเกลียดเป็นของโสโครกนะเป็นของโสโครกเป็นของโุกปรกคือท่าน เปรียบไปว่าอาสังขารคือร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดอาถ้าเราได้ไปดูตำรงพยาบาลที่เขาผ่าตัดจะเห็นว่าภายในร่างกายของเรานี้ล้วนแต่เป็นของสกปรกเหม็นคาวคะพลุ้งไปหมดเลยนะอันนี้ตัวของอาจารย์อผู้บรรยายนี้ได้เคยเข้า เราไปดูไปชมที่ในแพทย์เขาผ่าตัดแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาคือคนเราเมื่อถึงเวลาผ่าตัดก็เหมือนกับหมูตัวหนึ่งนะหมอเขาผ่าโน่นผ่านี่แล้วเขาทําไว้นะไม่ได้ทาํชาช้าๆหรือไม่ได้ค่อยๆเขาทํารวดเร็วมากบางทีเอาไส้ออกมาไว้ข้างนอกหมดเลยนะพอถึงเวลาจะเอาเข้ากอกโกยเอาเข้าไปเฉยๆหยิบใส่หยิบใส่ไปไม่ต้องมาเรียงอย่างนั้นนี่ไม่ต้องมาเรียง แล้วก็เกลียดในเหม็นขามาื่อนะคนเรานี่เหม็นขาวเหลือเกิน <c oughs> นี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายได้แล้วก็ไม่ต้องคิดมาอิจฉาสิยากันนะนี่แล้วก็ไม่ต้องมาหลม <c oughs> ละเมอเพอ้อฝันถึงกันนะนะอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานนี้เป็นคู่กรับกับการมาฉันทะหรือเรียกว่าราคะจริต คือมีอนิสงฆ์ไม่ให้คล้องอยู่ในกายตนและกายผู้อื่นอที่คน ร, รักกันทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องทางเพศก็เกี่ยวกับเรื่องการมฉันทะนี่เองหรือตัวราคะจริตนี่เองฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เจริญอสุภะตั้งแต่ดูสังขารภายนอกเป็นของไม่สวยไม่งามตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นของสกปรกโสโครกเป็นของปฏิกูลเช่นว่าผมเราเห็นว่าสวยนะ แต่ถ้าเกิดเส้นผมมันมาอยู่ในชามอาหารชามแกงของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าขยะขยงอ่าเล็บเราเห็นว่าสวยถ้าเกิดว่าอเขาหยิบอะไรให้เราด้วยเล็บยาวแหมรู้สึกว่ามันน่ารับทานแต่ถ้าเกิดเล็บนั้นมันหักตกไปในชามข้าวหรือในชามแกงเราจะรู้สึกขยะขยแขยงมากเกลียดนในอย่างอื่นก็ในทำนองเดียวกันฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เจริญอาสุภกรรมฐานพิจารณาภายนอกแล้วก็กายคตาสติพิจารณาภายใน ก็จะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบนะไม่ติดอยู่ในในรูปนะไม่ติดอยู่ในรูปนะหรือว่าในรูปเสียงกลินรสอไนี่เราจะไม่ติดแล้วนะไม่ติดก็จะทำให้จิตใจของเราสง บ, บได้อืมประการที่สองเมตตาคุณสมบัติเป็นเหตุสนิทสนมมีปกติให้ชอบพอคือกรรมฐานนี้เป็นผู่จับกับพยาบาท นะเป็นกู้ตับกับพยาบาทหรือเรียกว่าโทสัจจริตคือหมายความว่าคนที่มีโทสัจจริตเนี่ยถ้าจเจริญเมตตามากๆากนะก็สามารถที่จะแก้ได้นะคนมีโทสัจคิดว่าทุสร้ายผู้อื่นคิดอาฆาจองล้างจองผานผู้อื่นอยู่ร่างไปนะเป็นคนใจดํำอำมห ah นะิทธใจดํำอำมหิทธมากแต่ถ้าได้จเจริญเมตต า, ามีความปรารถนาดีต่อกัน ทำความรักสนิทสนมต่อกันมีความชอบพอต่อกันให้อภัยกันโดยนึกว่าถึงเขาจะเลื่องล้ำกรรมเกินไปบ้างก็ให้อภัยเขาบ้างอาอย่าไปคิดฆ่าคิดทำร้ายกันเลยไม่มีประโยชน์เราไม่ฆ่าเขาก็ตายฆ่าก็ตายแต่ว่าถ้าเราฆ่าเขามันอาจจะมีพิษมีภยัยเป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องติดตามต่อกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้น เรามีเมตตาปราถนาดีต่อกันอ่าดีกว่าอ่าจึงจะมีความสุขฉะนั้นก็ต้องเจริญเมตตาเป็นเครื่องปราบาโทสะจริตหรือพยาบาทมีอนิสงค์ให้อยู่ด้วยความไม่บีเวณไม่มีภัยอ่ามีความรักใคร่ปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็กจิตใจเราก็สงบสบายประการที่สามพุทธานุสติเราเล็กถึงพระพุทธเจ้ามีปกติให เกิดความอุตสาหะพยายามปราบรคุณของพระพุทธเจ้าและทำให้จิตใจของเหล่านี้มีความสงบนะกรรมฐานนี้เป็นคู่ปรับกับถินามิะ h นะถินามิ t h ะเรอเรียกว่าศรัทธาจริตคือมีอนิสงส์ให้ตั้งใจไม่ย่อท้อต่อเหตุขัดข้องเพื่อประกอบคุณงามความดีนะคนที่มีถินามิทะครอบงำจิตใจก็มักจะเป็นคน กดภูง่วงเหงาวหานอนไม่ยินดีอะไรทั้งสิ้นใครจะบอกอะไรจะให้ทำอะไรคือไม่รับรู้ทางนั้นนะไม่รับรู้ทางนั้นอยากจะนอนอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราได้เจริญพุทธานุสติก็จะทำให้เราเกิดสติปัญญานะหายจากความง่วงเหงาหานอนได้ประการที่สี่กระสิน คือหมายถึงว่าให้เราเจริญกสิณก็คือว่าวัตถุอันจูงใจมีปกติให้คุมใจให้มั่นคงกรรมฐานนี้เป็นคู่ปรับแกอุท ธ, ธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจหรือด้วยอกอย่างหนึ่งว่าวิตกจริตคนมือทัจจกุกุจจะหรือวิตกจริตนี้จะต้องเจริญกสิณอาจจะเป็นการผูกใจให้มีความมั่นคงนะให้มีความมั่นคงไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแกงทุรนทุราย มีอนิสงฆ์ให้พิพพจารณาให้เกิดมีความอดทนในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้จิตใจของเรานนั้เกิดความสุ ข, ขุมรอบครอบและเกิดความสงบงเริ่มเย็นได้ระการที่ห้าจะตุธาตุาวัฏฐานกาหนดธาตุสี่คือมีปกติให้กาหนดรู้สภาว ะ, อะของธาตุหรือของธรรมว่าธาตุสี่นั้นมันทรงเราไว้อยู่ เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยท่าสีก็แยกกันไป เ, เราก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นกรรมฐานนี้ก็เป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉ า, าคือความลังเลสงสัยตัดสิ้นใจอะไรไม่ได้คือตัวโมหะจริตนั่นเองเมื่อเราได้เจริญจะตุธาตุ ว, วัฐานคือกำหนดท่าสีกำหนดรู้โดยสภาวะของมันก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบแล้วก็เกิดสติปัญญาทาให้หายหลง หายงมงายหรือหายยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมได้ฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของหัวใจกรรมฐา น, นเป็นหัวใจของสมถกรรมฐานถ้าเขาจะถามบอกว่าหัวใจของสมถกรรมฐานมีอะไรก็บอกว่าหนึ่งกายคตาสติอสองอเมตตาสามพุทธานุสติสี่กสินห้าเจตุธาตุวัฐานนี่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นผู้ปรับกับ กรรมฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะเป็นคู่ตับกับคนที่มีราคะจริตนะโทสะจริตหรือมีถีนมิทะกรอบเงิน่ะมีพยาบาทนะมีพยาบาทมีถีนมิทะกรอบงินหรือมีอุทะจะกูกุจจะหรือมีวิจิกิจช้าลังเลสงสัยนะก็ได้ชี้ไปแล้วทีนี้ก็สิ่งที่เราควรรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุเกิดนิวรณ์ทั้งห้าคือคนเงาเนี่ย ทุกคนกก น, นีนนะ่อยากได้ดีกันทางนั้นนะอยากได้ดีกันทางนั้นไม่มีใครที่ไม่อยากได้ดีแต่ว่าที่ไม่ได้ดีก็เพราะถูกนิวรห้าครอบงำนิวร น, นี่แปลว่า อ, อทำที่ปิดกั้นไม่ใหเราบรรลุคุณงามความดีหรือว่าสิ่งที่ปิดกั้นไม่ใหเราบรรลุคุณงามความดีอ่าอะไรที่ไม่เราบรรลุคุณงามดีก็คือนิวรห้านั่นเองทีนี้เหตุที่จะใหเกิดนิวรห้าคืออะไร ก็คือหนึ่งสุภสัญญาความสําคัญว่างามเป็นเหตุให้เกิดการมาฉันทะนี่สองปฏิฆะอความกระทบกระทั่งแห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดพยาบาทคือหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรก็ทําให้เกิดความอาคตาิพยาบาทสามอารติอรติความไม่ยินดีนะไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดทีนมิทะความวงเหงาหานอนสี่เจตโสอวุปสมะ ความไม่สงบแห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดอุททจะกกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจห้าอโยนิโสมนสิการความทำใจไว้ในใจโดยไม่แยกขายนะโดยไม่แยกขายอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดวิจิกิจฉาเป็นเหตุให้เกิดวิจิกิจฉาฉะนั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องของอหัวใจของสมถกรรมฐาน ฉะนั้นก็จะสรุปสมถะกรรมฐานเพีงยงย่อๆอีกสักนิดหน่อยเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนเพราะว่ า, าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายาประการแรกก็อัดของสมถะมีสามอย่างนะมีสามอย่างหนึ่งทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นเครื่องระ ง, งับแห่งจิตที่หวัดสมถะ อทำอันยังจิตให้สงบระ ง, งับจากนิวรณูปกิเลส ช, ชิวะสมะัฏะความสงบสามความสงบระ ง, งับอจิตภายในชิวะสมถฏะนี่ทีอัดแหงสมถะภาวนาก็คืออเจตนาหรือว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเจริญสมรฏะให้เกิดมีขึ้นก็ชื่อว่าสมาัฏะภาวน า, นาชิวะสมถะภาวนา อ, อันนั้นก็เรียกว่าเป็นอัดสอง เป็นอุบายคมขี่สะกดจิตไว้ไม่ดินนนด้นรนฟุ้งซ่านไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านทีนี้ทำที่เป็นอารมณ์ของสมถ ะ, ะภาวนา <c oughs> ตามบาลีก็มีอภินหาปัจเจเวขณะห้าอภินหาปัจเจเวขณะห้าสติปัฐานสี่สติปัฐานสี่ทีนี้ทำที่เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาตามอัตถกถา <c oughs> ในคัมภีวิสุทธิมัตถมีสี่สิบแล้วจัดเป็นหมวดได้เจ็ดหมวดก็คือ กสินสินะกสินสิทธิ์อสุภสิทธิอ์อนุสติสิทธิ์พรหมวิหารสี่อาหารเยปริกูลสัญญาหนึ่งจ ต, ต, ตุธาตุวัฏฐานหนึ่งอรูปสี่นะอรูปสี่แล้วก็จริตของคนในโลกมีอยู่หกประเภทสักจริตโทสจริตโมหจริตสัทธาจริตพุทธจริตวิตกจริตนะ แล้วก็กรรมฐานที่เหมาะก่จริตก็คือราคจริตก็ต้องเจริญอสุภะนะอสุภะสิบกับกายคตาสติหนึ่งโทสะจริตก็ควรเจริญวันนักสินสีกับพรหมวิหารสี่โมหะจริตกับวิตกจริตควรเจริญอาณาปานสติศรัทธาจริตควรเจริญอนุสติหกเรื่องต้นพุทธิจริตก็ควรเจะเดินมรณสติและอุปสมานุสติอาหารเรย์ริกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวัฐานหนึ่ง กรรมฐานที่เหมาะแก่จริตทั้งสิ้นได้แก่อรูปกรรมฐานสี่ภูตกากสินสี่เรียกว่าในสองอย่างนี้เมาะกับจริตของคนทั้งหกจริตส่วนกรรมฐานมีนิมิตสาก็บริกรรมนิมิตนิมิตในบริกรรมอกาหันนิมิตนิมิตติดตาปฏิภาคนิมิตนิมิตเทียบเคียง อันนี้บริกรรมนิมิตกับอุคลานิมิตนี้ได้ในกรรมฐานทั่วไปปฏิภาคนิมิตได้ในกรรมฐานยี่บสองคือเกษินสิบอสุภาษิตกายะคตาสติหนึ่งอนุอาณาปานาสติหนึ่งทีนี้อนุภาพของอัปนาภาวนาก็มีอสุภาษิตกายะคตาสติหนึ่งเมอนุภาพให้ได้อรูปาวจระจรนชาอ า, อารูปาวจระ ปฐมฌานนะอรูปาวิยะปฐมฌานประสิทิสิบอานาปานสติหนึ่งภพมิหารสามคือเมตตากรุณาเมตตามีอนุภาพให้ได้รูปาวจรปฐมฌานจนถึงเจตุจารอุเบกขาภพมิหารมีอนุภาพให้ได้เฉพาะแต่ปัญจมะอรูปฌานรูปาวจรเจตุารย์อรูปาวจรฌานสี่มีอนุภาพให้ได้อรูปฌานสี่นะให้ได้รูปฌานสี่ เหตุที่ทำให้ชานเสื่อมก็มีสามอย่างคือหนึ่งกิเลสสมุททาจาเรเณเพราะกิเลสฟู้งซ่านอาสองอสปายกิริยายะเพราะทำความไม่สะดวกสีอ่อนโนุโยโเคเะเพราะไม่ประกอบเนืองเนืองนะเพราะไม่ประกอบเนืองเนืองนี่จึงทำให้ชานเสื่อมไปได้นะทาให้ชานเสื่อมได้ที่เหตุเกิดสมาบัติก็คือ รูปปัจจานสี่รูปปัจจานสี่รวมเป็นแปดเป็นเหตุให้เกิดสมาบัติสมาบัติเป็นผลของฌานจึงเรียกว่าชื่อตามฌานแปดจึงเป็นสมาบัติแปดทีนี้มาเรื่องพระพุทธคุณนะพระพุทธคุณเรื่องพระพุทธคุณนี้ก็เป็นเรื่องยาวอเป็นเรื่องยาวมากต่างว่าจะพูดให้จบก็จะทําให้ในักเรียนเอาฟันเฟือได้ก็ จะพูดพอเป็นในๆสักนิดหน่อยนะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธก็มีอัจอยู่สามอย่างหนึ่งเป็นผู้ทรงความรู้สองทรงอาศัยความรู้ของพระองค์คงอยู่ในความบริสุทธิ์สามเป็นผู้สมควรวิชาจนะสัมปันโนมีอัดสองอย่างคือวิชาความรู้สองจรณะทางเป็นเครื่องบรรลุวิชาสุคโตมีอัดสี่คือไม่ทรงกระพือถอยหลัง 2. เสด็จไปในที่ใดยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในที่นั้นสามไม่ประสบอันตรายเมื่อยังเสด็จเที่ยวไวโปรดสัตว์สี่ทรงไว้รอยแห่งความดีโลกกวิธูมีอัดสองทรงรู้จากโลกมาก่อนตรัสรู้ทรงรู้จากโลกในเมื่อตรัสรู้แล้วอนุตตรปุริสธรรมสาราิทิมีอัดสามทรงฝึกด้วยอุบายอันละเอียดสองทรงฝึกด้วยอุบายอันหยา 3. ทรงฝึกด้วยอุบายทั้งสองอย่างสัทธาเทวมนุษย์สานังมีอัดสี่ทรงพระรุรณาหวังจะให้ผู้ที่สั่งสอนได้ความรู้สำเร็จประโยชน์สองทรงนุ่งความเจริญประกอบประโยชน์เป็นที่ตั้งสามสทรงทำกับทรงทากับปรัดเป็นอย่างเดียวกันสี่ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอนพุโทโรมีอัดสองเป็นผู้ตื่นแล้ว สทรงปลกผู้อื่นให้ตื่นพระกวามีอัตสามเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมฉะนั้นพระธรรมก็มีอยู่หกอย่างก็คืออิสริยะความเป็นใหญ่ในจิตสองธรรมะในโลกุตรธรรมสามยศยศที่ทราบทั่วไปในโลกสามสี่ความงามแห่งอังคาพยัพอังคาพยัพ ห้าการะคุณที่พระองค์ทรงปราถนาหกประยัถะความเพียรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสมถะภาวนาอ่าทนั้นก็พูดแต่เพียงย่อๆนะพูดแต่เพียงย่อๆฉะนั้นถ้าจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าอ่าพูดถึงเรื่องอนิสงนะมาพูดถึงเรื่องอนิสงของการเจริญสมถะภาวนา การเจริญสมถะภาวนานั้นเมื่อเราเจะเรินไปตามขั้นตอนแล้วก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์เป็นอันเหตุระการเป็นต้นว่า <c oughs> ผู้ที่เจริญสมถะกรรมฐานนั้นย่อมจะได้รับอนิสงส์ดังนี้คือเป็นอุบายเครื่องสารวงปิดกั้นนิวรณูปกิเลสมิให้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจเหมือนบุคคล อ่าปิดทำนกขั้นน้ําไว้ไม่ให้ไหลผ่านไปได้ฉะนั้นอ่าแล้วก็ยังเป็นอุบายที่จะข่มจิตไว้ไม่ให้ดิ้นรนฟุ้งซ่านไปเปรียบเหมือนในสารถีผู้ฝึกม้าให้เรียบอสมควรเป็นราเชฟาหนะฉะนั้นฉะนั้นการทําจิตใจให้สงบระงับจากสรรพกิเลสได้นั้นใจต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอถ้าใจไม่มีอารมณ์อะไรให้คิดใจก็หยุดนิ่งไม่ได้ฉะนั้นใจนี้ ท่านว่าเหมือนกับเด็กทารกที่ยังไม่รู้เดี้ยงษาต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลระวังรักษาไม่เช่นนั้นก็ย่อมทุขสนหรือไม่เชนั้นก็ต้องมีเครื่องเล่นได้เด็กงัวเพือเกเลินด้วยเครื่องเล่นอยู่จ่อไม่ทุขสนฉะนั้นใจของเราเหมือนกันจะสงบได้ก็ต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องผูกจึงจะสงบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเป็นเพียงเ ย, ย่อๆส่วนหนึ่งฉะนั้นก็จะตั้งเป็นปัญหาถาม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสมถกรรมฐานสมมติว่าจะมีคนถามว่าจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นเหตุแก้วิปัสสนาทั้งสีด้วยได้ได้หรือไม่จงชี้แจงให้เห็นสมควรแล้วก็ตอบเลยว่าได้เพราะเมื่อจเจริญกรรมฐานทั้งสองอย่างนั้น เมื่อกำหนดพิจารณาอนิจจลักษณะเป็นเครื่องแก้วิปัสสนาในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเมื่อกำหนดพิจารณาทุขลักษณะเป็นเครื่องแก้วิปราสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขเมื่อกำหนดพิจารณาอนัตตลักษณะเป็นเครื่องแก้วิปราสในของที่ไม่ใช่ตนว่าตนเมื่อกำหนดพิจารณาอสุภะเป็นเครื่องแก้วิปราสาในของที่ไม่งามว่างามดังนี้หรือ มีคำถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมบางคนประสงค์จะทราบทางปฏิบัติสักทางหนึ่งซึ่งให้สำเร็จได้ในสมถะนวิปัสนาเพื่อผลตั้งแต่เบื้องต้ น, นเพื่อผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงนิพพานและประสงค์จะให้สำเร็จผลดังกล่าวโดยไม่นานด้วยท่านจะแนะนำให้เขาปฏิบัติในทางไหนจงชี้แจงอันนี้เราก็แก้ว่า ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเพราะมีบาลีเป็นหลักว่าเอกายโนโอยังพิกเวมัคโคเป็นต้นแปลว่าดูก่อรพิสุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่ไปอันเอกท่านแสดงว่ากายานุปัสนาให้สําเร็จเป็นสมถาภาวนาส่วนเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาถ้านัะตายังไม่ปรากฏแจ้งชัดในสันดาณเพียงใด ก็ยังเป็นสมถ ะ, ะภาวนาอยู่เพียงนั้นตามมติของท่านนี้จึงได้ความต่อไปว่าเมื่ อ, อนัตตาปรากฏแจ้งชัดก็เป็นวิปัสนาภาวนาส่วนผลนั้นมีบาลีแสดงว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่าผู้ปฏิบัติได้บริบูรณ์ก็พึง พึงหวังได้นะในสองวันหรืออย่างช้าก็ไม่เกินเจ็ดปีนะไม่เกินเจปีหรือถ้าจะมีคำถามว่ากายคตาสติน ะ, อะขอประสานโทษมีคำถามว่าสมถะกรรมฐานคืออะไรเราจงแสดงเฉพาะข้อที่เป็นหัวใจพร้อมทั้งบอกประโยชน์และอนิสงสมอันนี้เราก็แก้ว่า คืออุบายชำระจิตให้ปลอดจากนิวรณ์มีรการต่างๆตามในที่บรมศ า, ศาสดาประาธานพระธรรมเทศนาไว้แก่พระโพราณจารย์จัดรวบรวมเข้าเป็นหมวดมีประเภทต่างโดยสมควรเป็นอุบายสําหรับชำระนิวรณ์ชนิดหนึ่งกายยัคตาสติคือเป็นประโยชน์แก่แก่คนที่มีกรรมฉันทะเป็นเจ้าเรือนหรือเรียกว่าราคะจริต มีอนิสง์ไม่ให้ค้่องอยู่ในกายตนและกายผู้อื่นเมตตาาเป็นประโยชน์แก่คนมีพยาบาทเป็นเจ้าเรือนหรือเรียกว่าโทสะจริตตลอดคนเราอื่นทั่วไปมีอนิสง์ให้อยู่ด้วยความไม่มีเวรไม่มีภัยรับใข่ฟรองดองช่วยเหลือกันพุทธานุสติมีประโยชน์แก่คนที่มีถินมิทธะครอบงำเป็นเจ้าเรือนและคนที่เป็นและคนที่มีศรัทธาจริตมีอนิสง์ ตั้งใจไม่ย่อท้อต่อเหตุขัดข้องเพื่อประพฤติความงามนะเพื่อประพฤติความงามนี่ก็เป็นเรื่องของอสมรรถะนะเป็นเรื่องของของสมถะนะนี้ถ้าจะมีคำถามว่าผู้บางเพ่งสมถะกรรมฐานในทางเพ่งกระสินนั้นกระสินข้ออื่นๆสามารถจะเพ่งด้วยตา าแต่ข้อวายโยกสินจะพิ่งได้อย่างไรอธิบายวายโยกสินนั้นท่านสอนให้ถือนิมิตในลมด้วยสามารถเห็นหรือลมที่พัดมาถูกตัวเช่นถือเอานิมิตความไหวโอนเอ็งไปมาแห่งยอดไม้ใบไม้เช่นใบอ้อยใบไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆหรือลมที่พัดมาถูกตัวแล้วบริกรรมว่าลมหรือวายโยวายโายโ ดังนี้ชื่อว่าเจริญวาโยกสินาธาตุสี่ย่อมมีทั่วไปทั้งภายในภายนอกการเจริญธาตุสี่หรือการเจริญจตุธาตุวัฏฐานท่านให้กําหนดธาตุทั้งนั้นหรือหรือมีเขตจํากัดอย่างไรอันนี้ก็แก่ว่ามีการกําหนดเขตจํากัดคือให้พิจารณาธาตุสีที่คุมกันเข้าเป็นกายนี้คือมีอยู่ในกายนี้เท่านั้นนะมีอยู่ในกายนี้เท่านั้น หรือถ้ายังมีคําถามว่าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานท่านว่ามีสี่สิบประการไม่ปรากฏว่ามีสติปัฏฐานสีอยู่ด้วยมิใช่หรือถ้าอย่างนั้นสติปัฏฐานสีจัดเข้าในอารมณ์ของสมถะกรรมฐานได้หรือไม่อย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าสติปัฏฐานสีไม่ปรากฏในอารมณ์ของสมถะกรรมฐานสี่สิบจริงแต่พอจัดสงเคราะห์เข้าได้คือกายานุปัสนาติปัฏฐานบางตอน สงเคราะห์เข้าในกายยะคตาสติและหงวดอสุภะสติปัฏฐานสี่จัดเข้าในอานาปานวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอจะทราบได้ดีเลยว่าอันนี้เป็นขั้นปฏิบัตินะเป็นเป็นธรรมะขั้นปฏิบัติ ฉะนั้นอถ้าหากว่าเราได้ศึกษาธรรมะถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็จะทําให้เราพอเข้าใจได้ว่าวิปัจนานกรรมฐานนั้นเป็นตัวปัญญาคือเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาทําให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่ากู้ใดไม่ปฏิบัติสมถะ หรือวิปัสสนากรรมฐานแล้วผู้นั้นก็รู้แต่เพียงผิวเผินเท่านั้นนะรู้แต่เพียงผิวเผินเพราะคําว่าวิปัสสนาในวิแปลว่าแจ้งนะแปลว่าแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นก็คือเห็นแจ้งกรรมฐานก็หมายถึงว่าที่ตั้งแห่งความเพียรหรือว่าที่ตั้งแห่งการงานนะการงานที่จะทําให้เราเห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรในสภาวธรรม อ่านะเห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองจากนั้นเราก็มาทำความเข้าใจนะมาทาความเข้าใจกับอัดแห่งวิปัสสนาเสีย ก, ก่อนนะอัดแห่งวิปัสสนาก็หมายความว่าอาศาทุชนทำวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ให้เกิดมีขึ้น ด้วยจิตเจตนาอันใดเจตนานั้นชื่อว่าวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาภาวิปัสนากรรมฐานผู้เจริญพึงศึกษาให้รู้จักทำสามประการเสียก่อน <c oughs> ทำสามประการที่ว่านี้ก็ได้แก่ทำเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสนานะหนึ่งทำเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสนา สองทำเป็นรากเงาเป็นเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ของวิปัสสนาสามตัวของวิปัสสนานี่เราก็มาทราบอีกว่าทมที่เป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะมีอะไรบ้างนะมีอะไร <c oughs> ก็มีหนึ่ง อุปาทินกาสังขารหนึ่งอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกาสังขารสองขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสามอายตนะสิบสองคือจักขวายตนะโรปายตนะโสตายตนาสัพทายตนะคานายตนาคัมทายตนาชิวหายตนะรัษายตนากายายตนาโภัพายตนะ มนายตนะธรรมายตนะจากขวายตนะก็หมายถึงว่าอายณะคือตารูปายตนะอายนะคือรูปโสตายตนะอายณะคือหูเป็นต้นข้อสี่ธาตุทีแปดก็ได้แก่จากขู่ธาตุรูปธาตุจากขู่วิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธตุโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุคันดาธาตุคานวิญญาณธาธาตุ คิวหาธาตุรัตธาตุคิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธิภพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุทั้งหมดนี้เรียกว่าอธาตุสิบแปดแล้วก็ที่ห้าอินทรีย์ยี่สิบสองก็คือจักขุณซีนะจักขคุณซีก็คืออินทรีย์คือตาอ่าคือจักขุกโสตินทรีย์อินทรียคือหูการินทรียอินทรีย์คือลิ้น คืออ่าขอไปถานโทษจมูกสารินซ <3. S 2> ีนซีคือจมูกคิวหินซีอินซีคือลิ้นกายินซีนซีคือกายมนินซีนซีคือใจนะอิทธินซปุริสินซชีวิตสินซีสุขขินซทุกขินซโสมนัพสินซโทมนัพสินซีอุเปกขินซีสัตถินซียูยินซีสัตตินซีสมาธินซีปัญญินซี อนัญญาตัญญาสามมิตรนสีอัญญเรียอัญญาตาวินเสี น, นี่ก็เป็นอินทสียี่สิบสองนี่เป็นเรียกว่าทำเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทีนี้ธรรมที่เป็นรากเหง้าของวิปัสสนา <c oughs> ก็หมายถึงว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ของวิปัสสนานั้นอ่าคืออะไรก็คือหนึ่งสีละวิสุธทธิความหมดจุดแห่งศี สอนกิตจวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตนะผู้ที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์เสียก่อนจึงควรจเจริญวิปัสสนาได้ถ้าศีลและจิตยังไม่บริสุทธิ์ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านการจเจริญวิปัสสนาก็จะไม่อํานวยผลซึ่งความจริงผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์มีจิตไม่บริสุทธิ์เป็นผู้อภัพไม่ควรจเจริญวิปัสสนาเลย นี่มาในข้อที่สามตัวของวิปัสสนานั้นก็ได้แก่วิสุทธิทห้าคือนักศึกษาจําง่ายๆรากเงาของวิปัสสนาก็คือวิสุทติสองข้างต้นตัวของวิปัสสนาได้แก่วิสุทติห้าข้างปลายก็มีหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิในความเห็น สองกังขาวิตรณาวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามความสงสัยสามมขามัคคยาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใฉาทางสปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติห้าญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานณทัศนะอาการกำหนดรู้เห็นนาม และรูปที่มีจริงเป็นจริงตามลักษณะเครื่องหมายแจ้งชัดไม่หลงในสมมุติว่าบุคคลว่าตัวตนอย่างนี้จัดว่าเป็นเป็นทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธินะหรือว่ามีความเห็นบริสุทธิ์การกำหนดหรือจริงเห็นจริงซึ่งนามและรูปนะหรือรูปหรือนามทั้งเหตุทั้งปัจจัยข้ามร่วง ข้ามเรื่องสังขาความสงสัยในการทั้งสามจนได้คือไม่สงสัยว่าเราจุติมาจากไหนเราเป็นอะไรเราจะไปเกิดในที่ไหนเทวดามีหรือไม่ผีมีจริงหรือไม่อย่างนี้จัดเป็นสังขาวิจารณวิสุทธิข้อสามความรู้จริงเห็นจริงว่าอานี่เป็นตัววิปัสนาเป็นทางมรรคผลนี่เป็นอุปกิเลสนี้ใช่ทางมรรคผลจัดเป็นมรรคามัรคยานทัศนวิสุทธิ วิปัสสนาญาณทั้งเก้ามีอุทยพย า, ยานเป็นต้นมีอนุโลมญาณเป็นที่สุดก็จัดเป็นปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคจัดเป็นญาณทัศนวิสุทธิฉะนั้นอาท่านสาธุชนผู้เจริญกรรมฐานนอกจากศึกษาให้รู้จักธรรมสามอย่างดังกล่าวแล้วยังต้องศึกษาให้รู้จักลักษณะ ผลและเหตุของวิปัสสนากับวิภาคขกอีกดังต่อไปนี้อันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้กาหนดจดจําให้ดีเพราะว่าในช่วงวิปัสสนานี้ถือว่าเป็นเรื่องยากตั้งแต่สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องยากแล้วก็มักจะออกข้อสอบบ่อยนะออกข้อสอบบ่อยฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องคอยกําหนด หัวข้อจดจำหลักใหญ่ๆไว้ให้ได้เสียก่อนคือความรู้ความเห็นว่าความรู้ความเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยแจ้งชัดเป็นลักษณะเครื่องหมายของวิปัสสนานเป็นลักษณะของวิปัสสนาต่อการต่อมา ความขจัดมืดคือโมหะความหลงอันปิดบังปัญญาไว้ไม่ให้รู้เห็นความเป็นจริงของสังขารคืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไมิใช่ตนเป็นกิจเป็นคุณของวิปัสสนาเป็นกิจของวิปัสสนาการต่อมาความเห็นจริงส่องสว่างทั่วไป ในความสในความที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นผลของวิปัสสนานะเป็นผลของวิปัสสนาประการต่อไปก็คือว่าความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเหตุของวิปัสสนาทีนี้ก็มาแสดงถึงวิภาคหกอย่างก็คือ หนึ่งอนิจจังของไม่เที่ยงอนิจจลักษณังเครื่องหมายที่ให้กําหนดรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงสามทุกขังของที่สัต์ทนได้ยากหรือสภาวะที่ทนได้ยากสี่ทุกขลักษณังเครื่องหมายที่จะให้กําหนดรู้ว่าเป็นทุกหรือทุกขังความเป็นทุกทุกขลักษณังเครื่องหมายที่จะกําหนดให้รู้ว่าความเป็นทุก ห้าอนัตตาสภาวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหกอนัตตลักษณังเครื่องหมายจะให้กําหนดหรือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้ก็จะเสนอวิธีการเจริญอวิปัสสนาพอเป็นเพียงแนวทางคงจะไม่ถึงกับขั้นละเอียดนักนะถ้านักศึกษาและท่านอผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอได้ ฟังแล้วก็ศึกษาจากตำหนับตำราและก็โดยวิธีปฏิบัติจากท่านผู้รู้สืบต่อไปฉะนั้นหลักการเจริญวิปัสสนานั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายประการจะแสดงแต่พอเป็นหลักแห่งการศึกษาเท่านั้นเคอวิปัสสนานการเจริญวิปัสสนามีสังขารทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ได้ในอนิจจารักษณะและทุกขลักษณะทั้งสองมาแล้ว ทั้งสองมาแล้วในดังในบาลีว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งสิ้นเป็นทุกนะหรือว่าวิปัสสนามื่อทำทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ได้แก่อนัตตะลักขณะอย่างเดียวมาในบารีว่าสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอันหนึ่งนิพพานมีสังขารไปปราดแล้ว ไม่ได้ในคำว่าสัพเพสังขาราอ น, นิจจาสัพเพสังขาราทุกขาก็เพราะว่านิพานเป็นธรรมที่เที่ยงถทาวร อ, อยู่ทุกเมื่อและเป็นบรมสุขก็แต่ว่าเป็นอนัตตาเป็นอสังขตาาธาตุอย่างหนึ่งจึงได้ในคำว่าสัพเพธรร ม, มาอนัตตาอันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าเป็นข้อที่นักเกรยียนนักศึกษาคงจะขาดความสังเกตว่าในบทที่บอกว่าสัพเพสังขารา อ น, นิจจาสัพเพสังขาราทุกขาทำไมจึงไม่บอกว่าสัพเพสังขาราอนัตตาแต่ทำไมจึงไปใช้คำว่าสัพเพรธรรมานาตาอันนี้ก็เพราะว่าการที่ไม่ใช้อย่างนั้นก็เพราะว่ากินความไม่หมดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งลิพานนั้นไม่ใช่สังขารเป็นวิสังขารเป็นอาสังกัตธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่ง แล้วก็จะใช้คำว่าสังขาราไม่ได้เพราะว่ากินความไม่หมดจึงต้องใช้คำว่าสัพเพธรรมาอนตตาดังนี้ <c oughs> แล้วก็ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนามีขันห้าเป็นอารมณ์ก็ได้ในอนิจจาักษณะและอนัตตลักษณะทั้งสองอ ที่บอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาก็ไม่เทียงสังขารานิจจาสังขารท้งหลายก็ไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงนะหรือจะบอกว่ารูปังอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนานัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญานัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารนัตตาสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตา ฉะนั้นจึงบอกว่ า, าสังขาราทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งสิ้นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้ดังที่ได้กล่าวมาแสดง อแต่อันนี้จะลักษณะและอนัตตลักษณะเท่านั้นส่วนทุกขลักษณะหาแสดงไว้ด้วยไม่อันนี้พึงเข้าใจว่าไม่แสดงไว้ก็เหมือนแสดงแล้วเหมือนกันเพราะทุกขลักษณะอท่านนับเข้าในอนิจจารักษณะเหมือนกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกขเมื่อเห็นอนิจจารักษณะแล้วทุกขลักษณะก็ปรากฏขึ้นทีนี้เมื่อมาเจริญวิปัสสนามีขันห้าเป็นอารมณ์ในลักษณะทั้งสามคืออนิจจารักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะแล้ว ก็จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เราก็จึงไม่มีตัวไม่มีตนะในข้ออื่นก็ในทรานองเดียวกันนะเป็นในทํานองเดียวกันจะเป็นเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็ในทํานองเดียวกัน นะไม่เทียมเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนนะเพราะว่ า, ารูปเป็นของที่ทุกข์ทนยากาทำใดเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้รูปเกิดขึ้นถึงทำนั้นก็เป็นทุกข์ทนยากเหมือนกันรูปที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยเหตุอันเป็นทุกข์แล้วจะเป็นสุขมาแต่ไหนนะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในทํานองเดียวกันนะในทํานองเดียวกันฉะนั้นอันนี้ก็ พูดแต่เพียงย่อๆนะที <Mull ers> <Mind> <io> นะ former former former 2, ี้ก็จะมาพูด <Chelsea> ถึงว่าเหตุปัจจัยของรูปนามนะเหตุปัจจัยของรูปนามกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยของนามารูปกรรมนั้นจำแนกออกเป็นสองคือกุศลกรรมกรรมดีอกุศลกรรมกรรมชั่วกรรมดีมีมูลมาแต่อโลภอโทสะโมหะกรรมชั่วมีมูลมาแต่โลภโทสะโมหะนามและรูปใดเกิดด้วยอาศัยอคุศลกรรม นามและรูปนั้นย่อมเป็นของหยาบและทุรพลเล็วสามต่าช้านามและรูปใดเกิดขึ้นด้วยกุศรลกรรมนามและรูปนั้นเป็นของสุขุมละเอียดประนีจริงนักกรรมแต่เพียงอย่างเดียวไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิดนา ม, มารูปได้ต้องอาศัยอุปาทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือฉันธาราคะความพอใจและยินดี อุปาทานเล่าก็ต้องอาศัยตันหาความทะเยอทะยานอยากส่วนตันหาเล่าก็ต้องอาศัยอวิชชาความไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้งเพราะเหตุนี้อวิชชาจึงเป็นปัจจัยของตันหาตันหาจึงเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานจึงเป็นปัจจัยของกรรมหรือคือภพหรือภพกรรมหรือภพเป็นปัจจัยของชาติคือนามและรูปโดยในนี้จึงได้ความสันนิษฐานว่าทำสี่อย่างคืออวิชชาความไม่รู้แจ้ง สองปัญหาความทะเยอทะยานอยากสามอุปาท า, านความยึดมั่นสี่กรรมการกระทำทั้งสี่อย่างย่อมเป็นปัจจัยของรูปและนามและเมื่อกล่าวโดยเฉพาะแล้วมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมนะดินน้ำไฟและอาหารอ่าและอาหารและลมเป็นปัจจัยของรูปประทำใน ล, ลมเป็นปัจจัยของรูปธรรม ด้วยเหตุว่าอุปถัมภ์ทำนุบำรุงรูปไว้พัฏฐะเป็นปัจจัยของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะเวทนาสัญญาสังขารอาศัยพัฏฐะเกิดขึ้นนามและรูปเป็นปัจจัยของนามธรรมคือวิญญาณเพราะเหตุวิญญาณอาศัยอาจนะภายในหกอาจนะภายนอกหกเกิดขึ้นจึงเรียกชื่อต่างๆกันดังนี้ นังจักุวิญญาณคือรู้ทางตาโสตวิญญาณรู้ทางหูคานาวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายยะวิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณรู้ทางใจเฉพาะวิญญาณห้าเบื้องต้นมีรูปอย่างเดียวเป็นปัจจัยส่วนมโนวิญญาณมีนามรูปทั้งสองเป็นปัจจัยด้วยเหตุนี้นามและรูปจึงเป็นปัจจัยของนามธรรมคือวิญญาณโดยในดังกล่าวมาจึงสันนิษฐานเห็นลงได้ว่า อวิชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารเป็นปัจจัยของรูปธรรมรูปะธรรมอาศัยปัจจัยสี่อย่างนี้เกิดขึ้นนะอาศัยปัจจัยสี่อย่างนี้เกิดขึ้นอวิชาตันหาอุปาทานกรรมผัสสะเป็นปัจจัยของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารแ ล, และเวทนาสัญญาสังขารอาศัยปัจจัย ห้าอย่างนี้เกิดขึ้นคืออาวิชาตันหาวฟาทานกรคำานามและรูปเป็นปัจจัยของนามธรรมคือวิญญาณวิญญาณก็อาศัยปัจจัยห้าอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นไปเมื่อผู้บําเพ็ญเพียรกําหนดปัจจัยของนามและรูปได้แจ้งชัดแล้วก็จ่อมข้ามล่วงความสงสัยในการทั้งสามเสียได้นะในการทั้งสามเสียได้คือ ความสงสัยในส่วนอดีตความสงสัยในส่วนอนาคตความสงสัยในส่วนปัจจุบันอืเมื่อเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นก็จะทําให้เรามีสติปัญญานะมีสติปัญญารู้แจ้งอนะตามสภาวธรรมไปขั้นหนึ่งนะไปขั้นหนึ่งเนี่ยทีนี้ก็อ่าผู้บําเพ็ญเพียรอ่าภาลบวิปัสสนามาด้วยดีนะก็ ย่อมจะมีทำสิบอย่างอาจจะเกิดขึ้นเ ร, เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสนะวิปัสนูปกิเลสก็เป็นต้นว่ า, อาโอภาษแสงสว่างเกิดขึ้นแต่วิปัสนาจิตวิปัสนา จ, จิตสั้นออกจากสรีระสรีระปิตินะแพรไปทั่วสรีระทำกายและจิตให้อิม่มเกิดขึ้นด้วย วิปัสนาจิตวิปัสนายานอันแก่กล้าเห็นนามารูปแจ้งชัดปัสสัต t h ความสงบกายและจิตระงับความกระวนกระวายได้เกิดขึ้นด้วยวิปัสนาจิตสุขเป็นไปในกายและในจิตอันประนีปนักอาทิโมกความเชื่อมั่นมีกำลังกล้าเป็นที่พองใสแห่งจิตเจตสิกยิ่งนักปัจคะหะความเพียรไม่อิ่มไม่ย่น แระคองจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์อุปฐานสติตั้งมั่นรักษาอารมณ์ไว้ทําให้ปรากฏด้วยดีดังประโลภปรากฏแก่ผู้มีทิพกสุฉนั้นอุเบขาความเป็นธรรมมัธยัตยิ่งนักในสังขารทั้งสิ้นนิกันติความรักใคร่มีอาการอันสุขุมละเอียดทําความอะไรในวิปัสสนาทําสิบอย่างนี้เป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา เรียกว่าวิปสัสนูปกิเลสเมื่อเกิดขึ้นก็ทําใจผู้เจริญวิปสัสนาให้พิศวงหลงไปว่ามรรคผลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเราได้สำเร็จมรรคผลแล้วเป็นเหตุให้หยุดความเพียรเสียไม่เจริญวิปสัสนาต่อไปก็อให้เกิดตัณหามาณทิฏฐิเกิดตัณหามาณาทิฏฐิว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนผู้บำเพ็ญเพียร เมื่อวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่หลงงมงายในธรรมอันเป็นอุปกิเลสยังรู้ว่านั่นเป็นอุปกิเลสไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลไม่ใช่ทางแห่งวิปัสนาแต่นั้นก็ไม่หยุดความเพียรควรจเจริญวิปัสนาญาณเก้าอันบริสุทธิ์พ้นจากอุปกิเดส ต, ต่อไปวิปัสนาญาณเก้าในแก่อะไร มิปัจนายานเก้าอนหนึ่งอุตยพพยานสองทังคยานสามพยตุปัฏฐานยานสี่อาทินวยานห้านิพิทายานหกมุนจิตุกรรมมยตายานเจ็ดปฏิสังขารยานแปดสังขารุเปกยานเก้าสัจจานุโลมยานในยานทั้งเก้านี้ปัญญาอันยังรู้ความเกิดขึ้นและความความดับสิ้นไปของนามและรูปชื่อว่า อุทยพ ย, ายาัญญาโดยยอ่อเมื่อว่าโดยพิสดารแล้วท่านแนะให้ผู้ที่บำเพ็ญเพียรพิจารณาอ น, นิพติลักษณะนิพติลักษณะและปรินามลักษณะคือความเกิดความดับของขันห้าอย่างละห้าในขันหนะึ่งหนึ่งในขันหนึ่งหนึ่งก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดสติปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงได้นะรอบรู้ตามความเป็นจริงได้ เมื่อพูดถึงอย่างนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาญาญย่อๆวิปัสนาญาญเพียงย่อๆคือในข้อแรกที่บอกว่าอุทยพยานก็คือพิจารณาความเกิดดับของรูปนามนะเกิดดับของรูปนามพังคยานปัญญาอันปล่อยวางความเกิดพิจารณาแต่เฉพาะความแตกดับไปอย่างเดียว ไม่พิจารณาเหตุอาพิจาจรณาเฉพาะผลว่าสังขารทั้งสิ้นย่อมแตกดับไปความที่สังขารไม่แตกดับนั้นย่อมไม่มีดังฟองน้ําก้อนใหญ่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นในข้อต่อมาที่บอกว่าพะยาตูปัฏฐานใยานคือในยานที่สามก็คือว่าปัญญาของผู้บําเพ็ญเพียรยังรู้ความแตกดับไปของสังขารแก่กล้าจนเห็นสังขารเหล่านั้นปรากฏเป็นภัยน่ากลัวดังเห็นสัตว์ ร, ร้ายและเห็นเรือน เหมือนกับเรือนที่ไฟไหม้ฉะนั้นในยานที่สี่อาทีินวายานก็หมายถึงว่าผู้บำเพ็ญเพียร พ, พยาตูปัฏฐานญาณเห็นสังขารปรากฏเป็นภัยใหญ่หน้ากลัวแจ้งชัดจึงเห็นโทษในสังขารไม่มีความยินดีในสังขารเหมือนบุรุษผู้รักชีวิตรู้ว่าโกชนะเจือด้วยยาพิษแล้วก็กลัวเห็นโทษไม่ปรารถนาจะบริโภคฉะนั้นและเหมือนรู้ว่าแม่น้าประกอบด้วยจรเข้แล้ว มีภัยใหญ่หลวงไม่อาบฉะนั้น <c oughs> มาในยาณที่ห้าเรียกว่านิพิทายานปัญญาของผู้าบาเพ็ญเพียรมาเจริญอาทินวิญญาณแก่กล้าจนเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายชิงชังในสังขารไม่ยึดรมยินดีในสังขารปานดังบุรุษผู้เห็นโทษของภรยาแล้วมีความเหนื่อยหน่ายพระยาฉนั้นในยานที่หกมลจิตุกรรมม า, ายาญาณมีความ เห็นว่าจิตของผู้บําเพ็ญเพียร น, นั้นไม่ผัวพันเกี่ยวข้องอยู่ในสังขารอันใดอันหนึ่งอยากใคร่จะพ้นใคร่จะปลดเรื่องสังขารเหล่านั้นไปด้วยอํานาจความเหนื่อยหน่ายในสังขารเหล่านั้นแก่กล้ายิ่งนักดุดดังปลาอยู่ในแหใคร่จะพ้นไปจากแหหรือว่าอยู่ในปากอสรพิษก็ใครจะพ้นจากปากอสุรพิษไปในยานที่เจ็ดปฏิสังขารไดยาน <c oughs> หมายความว่าผู้บำเพ็ญเปลี่ยนธรรมมูลจิตุกรรมมตายานให้บริพูรนแล้วก็ปรารถนาที่จะพ้นจากสังขาร น, นั้นจึงยกสังขารขึ้นสู่ใจลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นล่าสังขารทั้งสิ้นนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปแต่สลายไปตั้งอยู่ชั่วนิดหน่อยเหมือนดังของที่ขอยืงเขามาชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องส่งคืนสังขารเหล่านั้นเป็นทุกข์อันที่บุคคลจะทนได้ยาก เพราะเป็นสังขารอันความเกิดความดับไปบีบคั้นอยู่เป็นนิดและก็ร้อนด้วยเพลิงกิเลสราคะโทสะโมหะและเพลิงทุก์มีชาติชาราโมระนเป็นต้นเพราะเป็นที่อาศัยของโรคภัยไข้ขเจ็บต่างๆมีโรคในตา เ, าเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นต้นฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะเป็นธรรมที่สูญจากตัวจากตน จ, จ, จากสัตว์บุคคล เมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราเห็นแจ้งชัดนะเห็นแจ้งชัดเหมือนกับท่านเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนบุรุษคิดจะจับปลาถือสุ่มไปสุ่มลงในน้ำเหมือนมือลงไปตามปากสุ่มนะยอนมือลงไปตามปากสุ่มจับอสรพิษเข้าที่คอแล้วมีความยินดีว่าจับปลาไหลยกขึ้นเห็นศีรษะว่าเป็นงูมีความสะดุ้งกลัวเหนื่อยหน่ายในความยึดถือนั้นปรารถนาจะปล่อยอสรพิษ จึงจับหางแล้วก็คลายอ่าขนดออกยกขึ้นแกว่งไปมาหลายรอบจนอสโรพิษนั้นหมดกําลังจึงสลัดทิ้งไปจึงสลัดทิ้งไปเมื่อสลัดทิ้งไปแล้วก็ไม่เห็นทางที่อสโรพิษนั้นตกที่ไหนหรือไปที่ไหนเมื่อไม่เห็นแล้วก็ดีใจก็พ้นแล้วข้อนี้ฉันใดการบาําเพ็ญเพียรได้อัตภาพคือปัญจขันธ์แล้วข้อนั้นต่างมีความยินดีไม่ยึดปั้นถือมันว่าเป็นของเราเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตา มาในข้อที่แปดคืออุเบกขาญาณท่านให้คหนดพิจารณาสังขารโดยความเป็นของศูนย์ไว้สองประเภทคือหมายความว่าเป็นของศูนย์มีเงื่อนสองเป็นของศูนย์มีเงื่อนสี่เป็นของศูนย์มีเงื่อนสองก็คือว่าศูนย์จากตัวสองศูนย์จากของของตัวเป็นข้องของศูนย์มีเงื่อนสี่ก็คือว่าตัวก็ไม่มีอ่าของของตัวก็ไม่มีผู้อื่นก็ไม่มีของของผู้อื่นก็ไม่มีนี่ ทีนี้มาในข้อที่9าในลำดับแห่งอนุโลมบัญญนะคือจิตของผู้เจริญวิปัสสนาย่อมมีความเป็นแตกแต่แตกต่างกันโดยลำดับนะแตกต่างกันโดยลำดับตั้งแต่โคตรภะูจิตมรรคจิตชวนาจิตผลลจิตภวังคจิตมนโนทวาระวัชนะจิตปัญจเวคณยานนะในเบื้องต้นโคตรตะูจิตก้อนเหลียวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ในลำดับนั้นมรรคจิตเหนียวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเกิดขึ้นแต่ทำรรกิจเนยอริยสัจสี่คือกําหนดรู้ทุกข์สัจละสมุทัยสัจทำให้แจ้งซึ่งนิโรธาสัจแล้วก็ทากํามรรคสัให้เกิดขึ้นแล้วละกิเลสเป็นสมุเทเฉตตะทหารขาดไปจากจิตสันดานเพิงทราบว่ามรรคจิตที่เกิดขึ้นชั่วขณะจิตเท่านั้นก็ดับไปอก็ดับไปทีนี้ก็จะจึงทําให้เรานั้นมีปรีชา รื้อเฉลียวฉลาดตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงในลำดับนั้นผลจิตก็หน่วงเหนี่ยวออกพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เ, เกิดขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างนะฉะนั้น เ, เมื่อพูดถึงวิปัชนากา็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็อาจจะสับสนบ้างาแต่ถ้าค่อยๆพิจารณาไปก็จะพอทำให้เข้าใจ ทําให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาที่ได้แสดงมาโดยลำดับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนามาก็พอสมควรกับเวลา